วันอาทิตย์ที่21กันยายน2540อภิสมัยะสังยุตพระติจสมุบบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัทธาท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้จะสรุปประสมจากอภิสมัยะสังยุตเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวกับสับแสงที่ใช้ในประสูมทั้ง หนึ่งร้อยสี่สูตรนี้นะครับประมวลมาจากในนี้เป็นเอกสารหน้าเ็ษๆเท่านั้นเองเราจะพบว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นชื่อหลักของธรรมะที่อยู่ในพระสูตรนี้ในพระสูตรวรรคนี้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักเราจึงถือว่าธรรมะ ที่แสดงอย่างเป็นเหตุผลลูกโซ่วิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นเนี่ยเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดังนั้นชื่อหลักของธรรมะพวกนี้จึงทรงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีปรากฏอยู่ในตัวพระสูตรหลายๆสูตรทีเดียวนอกจากนั้นยังมีชื่อที่เรียวกว่าเป็นชื่อรองชื่อรองพระพุทธเจ้าทรงตรัส อนุมัติเองว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เรียกเป็นอย่างอื่นได้แต่ในที่ใช้จริงๆก็ทรงตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างเป็นหลักอยู่นั่นเองคำว่าปฏิจจสมุปบาทแปลตามชื่อว่าทาเป็นที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมปฏิจจแปลว่าอาศัยกันหรือแปลว่าอาศัยเฉยๆก็ได้สังแปลว่าพร้อม อุปาธาแปล ว, ว่าเกิดขึ้นรวมกันก็แปลว่าทมที่อาศัยกันเกิดขึ้นพร้อมที่ว่าอาศัยกันนั้นก็คือปฏิจจะแต่ละองค์แต่ละองค์ไม่มีองค์ใดเลยที่เกิดแบบนอกเหนือไปจากความเป็นเหตุเป็นผลกันของกันและกันกับองค์อื่นๆที่อยู่ในสายเดียวกันนั้น และคำว่าพร้อมนั้นไม่ได้หมายว่าพร้อมโดยเวลาหมายถึงความพร้อมเพรียงพร้อมเพรียงนั้นอาจจะพร้อมเพรียงกันโดยประจันหน้ากันอยู่ระหว่างเหตุกับผลหรือพร้อมเพรียงกันโดยไม่ได้ประจันหน้าเช่นว่าสังขารเกิดจากอาวิชชาสังขารคือกุศลสังขารเกิดจากอาวิชชาที่เป็นอากุศลลธรรมแต่ชาติปางก่อนก็ได้หรือชาตินี้ก็ได้ ก็มีพลังเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการคิดปรุงแต่งในทางบุญอันนั้นขึ้นได้ซึ่งก็เรียกว่าความเกิดขึ้นพร้อมเหมือนกันก็พร้อมก็เอาความว่าพร้อมเพียงพร้อมกันอย่างในสภาพที่จะเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกันได้อีกอย่างหนึ่งท่านแบ่งแยกทำส่วนเหตุกับทำส่วนผลออกจากกันคือถ้า ก็ตรัสว่าปฏิจจสมุปบาทจะเรียกทำส่วนเหตุได้ค้นดูในพระไตรปิฎกทวน ท, วนทุนทีแล้วปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่มีคำว่าทำตามหลังครแต่ปฏิจจสมุปปณะเนี่ยจะมีคำว่าทำตามหลังก็เลยใส่มาตามเนื้อความ ส้อยคำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกจริงๆทมส่วนเหตุได้แก่อวิชาก็เป็นเหตุสังขารก็เป็นเหตุเมื่อกล่าวในจุดที่เป็นเหตุก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปบาททำส่วนผลท่านจะตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปปันนะธรรมที่แปลว่าธรรมที่เข้าถึงพร้อมเพราะอาศัยปัจจัยก็คือ สังขารเกิดจากอวิชชาอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทสังขารเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมวิญญาณเกิดจากสังขารสังขารเป็นปฏิจจสมุปบาทวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้ก็คือว่าฐานะธรรมอันหนึ่งเนี่ยมีทั้งฐานะที่เป็นเหตุและมีทั้งฐานะที่เป็นผลกล่าวในภาคผล ก็เป็นปฏิจจสมุปปนะธรรมกล่าวในภาคเขตก็เป็นปฏิจจสมุปบาทนีก็มีที่อ้างอยู่ด้วยนะครับว่าผมจะลองยกเนื้อความที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ซึ่งที่จริงก็ตัดตอนมาจากเนื้อความในพระสูตรที่เราได้เรียนกันมาแล้วนั่นเอง เอกสารตัวอย่างกัรณีตัวอย่างเนี่ยมีอยู่แต่ว่าจัดพิมพ์ให้ไม่ทันก็เลยได้แต่หัวข้อหลักๆก็จะอาศัยอ่านให้ฟังว่าท่านตรัสถึงคําว่าปฏิจจสมุปบาทว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทแก่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นไนนี่จะเห็นว่า พุทธพจน์เนี่ยทรงเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทอย่างชัดๆเลยครับแล้วก็ตรัสว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารแสดงเลื่อยไปจนถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะแล้วก็ตรัสสรุปทิ้งได้อีกครั้งหนึ่งว่านี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทพระสูตรที่ทรงเรียกชื่ออย่างนี้ปรากฏอยู่ในพระสูตรสามสูตรในอภิธรรมญาสังยุตนี่นะครับ อีกแห่งหนึ่งได้ตรัสคือพระานนท์ก็เรียกว่าปฏิจจสมุบาติพระพุทธเจ้าก็ตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุบาทิพระานนท์ได้กล่าวทูลว่าปฏิจจสมุบาติเป็นของลึกซึ้งแต่ว่าเป็นของที่ปรากฏเหมือนเป็นของตื้นแก่กล้าพระองค์เห็นไพระานนท์เรียกนะพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าดูก่อ น, นะนอานนท์เธออยากกล่าวอย่างนั้นปฏิจจสมุบาทเป็นธรรมลึกซึ้ง มีกระแสะความลึกซึ้งลึกซึ้งอย่างไรก็ได้ทรงแสดงสืบต่อไปแต่ตรงนี้เราก็ไม่พูดถึงเนื้อหาก่อนก็ยกขึ้นมาเพื่อจะยืนยันว่าพระพุทธเจา้าเรียกปฏิจจาระสาวกก็เรียกปฏิจจารม่ บ, บาทเราจึงนำเอามาเป็นชื่อเอกชื่อหลัก เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเป็นต้นนั้นธรรมะหมวดนี้ชุดนี้เขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททีนี้ปฏิจจสมุปปันนธรรมมีพุทธพจน์ตรัสอยู่ในพระสูตรตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรม แกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังทำนั้นก็ปฏิจจสมุปป น, นะธรรมเป็นไนชาลามระจนถึงอวิชฌานี่องตระแดงย้อนนะคือปฏิจจแต่ละองตะองเนี่ยชาลามระจนถึงอวิชาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยประชุมปรุงแต่งอาศัยกันเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเหล่านี้เรียกว่าปฏิจจสมุปป น, นธรรมปฏิจจสมุปป น, นธรรมตรงนี้จะเห็นว่าทรงแสดงแบบหลุดแบบชี้ส่วนผลว่าสังขานว่าชาติว่าภพว่าอุป า, าทานจนกระทั่งว่าถึงว่าอวิชชาแต่ละตัวแต่ละตัวเหล่านี้เป็น สิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นคือเวลาที่คนปฏิบัติธรรมโดยในของปฏิจจสมุปบาทในการทําวิปัสสนาเนี่ยเมื่อกําหนดเนี่ยเขาจะกําหนดองค์ก่อนกําหนดองค์อย่างเป็นปฏิจจทุก ป, ปัญญธรรมก่อนว่าชาลาและมรณะเป็นอย่างไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้น ก็ดูตรงนั้นดูให้เห็นสภาพของความมีความเป็นของชาลามลณะแล้วก็คืบลึกต่อไปว่าชาลาและมรณะเกิดจากอะไรก็กำหนดได้ว่าเกิดจากชาติที่เป็นเหตุใกล้เป็นเหตุหลักของชาลาและมรณะนั้นนี่เพราะนั้นชาติก็จะเป็นปฏิจจสมุปบาทชาลามรณะจะเป็นปฏ ิจสมุ ป, ปันนะทำเนี่ยทุกองค์ก็กำหนดต้อยกลับไปอย่างนี้คือกำหนดตัวและกำหนดเหตุเกิดกาหนดตัวกาหนดเหตุเกิดนอกจากนั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสอนุมัติไว้ว่า <c oughs> ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยยังเรียกโดยชื่ออื่นว่าธรรมมัธทีธรรมรรมทิตาที่แปลว่าความตั้งอยู่แห่งธรรมดา หรือความตั้งอยู่แห่งธรรมทำในที่เราแปลกันว่าธรรมดาธรรมนิยามความกําหนดแน่แห่งธรรมดาอิทัปปัจจยตาความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้ตถตาความมีเพราะปัจจัยอย่างนั้นหื อ, อตัตาเนี่ยแปลว่าความเป็นอย่างนั้นแหละ แต่ว่าเมื่อพูดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็แปลว่าความมีหรือความเป็นเพราะปัจจัยอย่างนั้นความมีเพราะปัจจัยอย่างนั้น <c oughs> อวิตฐตา <c oughs> ความไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยอย่างนั้นคือปฏิเสธว่าสภาพธรรมอย่างนี้จะไม่มีที่ จะไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนั้นอย่างนั้นคืออย่างที่เป็นปฏิจจสมุปบาทยกตัวอย่างเช่นว่าอาวิชาจะไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยคืออ อ, อสังขารสังขารไม่มีที่จะไม่มีเพราะปัจจัยคืออวิชา พ, พูดใหม่นะและองค์อื่นก็พูดอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของชื่อที่พระพุทธเจ้าได้ทรง ปรากฏไปในพระัตรปิฎกซึ่งปรากฏว่าในพระสูตรหนึ่งร้อยสี่สูตรเนี่ยที่มาของการกำหนดที่ชัดว่าปฏิจจสมุปบาทเรียกเป็นชื่อได้อีกกกชื่อตรงนี้มาจากพระสูตรที่สิบของวรที่สองที่ลงตัวเลขว่าสองจุดสิบเนี่ยแปลว่าสูตรที่สิบของวรที่สอง หรือสูตรในวักสองลำดับที่สิบมีอยู่ที่เดียวกันในอิทัปปเจตตาอะไรต่างๆที่เราได้ยินเนี่ยก็มามีที่มาจากตรงนี้ผมจะอ่านเนื้อความในพระสูตรให้ฟังประกอบไปด้วยว่าเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณะ จนถึงพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารระทะทาธรรโคตทั้งหลายอุบัติขึ้นก็ตามไม่อุบัติขึ้นก็ตามธาตุอันนั้นคือธรรมทิติธรรมทิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจยะตาก็ยังดำรงอยู่พระธรรโคตย่อมตรัสรู้ย่อมตรัสรู้ทั่วถึงธาตุอันนั้นครั้นตรัสรู้แล้วย่อมบอก แสดงทำให้ตื่นภิกษุทั้งหลายตถาตาอาวิฏฐาตาอนัญญาตามูลเหตุอันแน่นอนในธรรมอันนั้นดังพันลนามาชนีเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นการบอกว่าเป็นเป็นชื่อเดียวกันและเนื้อความในสูตรนี้ก็เป็นการประกาศว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างไม่ใช่ของใคร เป็นสิ่งที่เป็นไปเองตามกระบวนการของตัวมันเองเป็นการตรัสยืนยันอย่างนั้นแต่เราก็ได้ความว่าทั้งหมดนี้เป็นชื่อรองของปฏิจจสมุปบาทแสดงชื่อโดยที่ท่านกล่าวถึงโดยอ้อมนะตรงนี้ที่ว่าโดยอ้อมเนี่ยหมายความว่าเวลาท่านสแสดงถึงปฏิจจองค์หนึ่งกับองค์หนึ่ง ว่ามีความสําคัญเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างไงเนี่ยท่านใช้วัยพจน์หลากหลายบางแห่งก็ใช้เป็นหลายๆคาพูดบางแห่งก็ใช้คําพูดคําเดียวครับอย่างอย่างดูตรงใน จ, จำพวกที่ใช้คําว่าใช้ร่วมกันสี่คำคือเวลาทรงตรัสว่ า, าวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยแทนที่จะทรงตรัสว่ า, าวิชาปัจญาสังขาราอย่างที่เราคุ้นนะจะทรงตรัสว่าสังขารเนี่ย มีอวิชาเป็นนิทานมีวิชาเป็นสมุทยัยมีวิชาเป็นชาติกามีาวิยาเป็นปววัปภวะตรัสเป็นไวยพสสี่คำนี้เราคงจะพอนึกออกเราๆว่าประสูตรบางสูตรที่เราได้ผ่านเรียนมาแล้วเนี่ยจะมีประสูตรที่พูดคำหลายๆคำอ ย, อย่างนี้เวลาเราทำรํำเป็นเอกาสารเนี่ยเราก็จะจะเขียนเต็มเฉพาะเปราะแรกแล้วหลังจากนั้นก็จะย่อความไว้ผมจะ หานเนื้อความให้เห็นเป็นตัวอย่างจากพระสูตรหลายสูตรครับตรัสว่าก็อตัญหานี้มีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุ ท, ทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นปัจจุบัตัญหามีเวทนาเป็นนิทานมีเวทนาเป็นสมุ ท, ทยัยมีเวทนาเป็นชาติมีเวทนาเป็นปัจจุบัแล้วสังขารก็ดี อ, องค์กรดืจนถึงอวิชยาก็ดีแสดงลักษณะเป็นวัยพุทธหลายๆว ย, ยพทุทธเราก็จึงถือว่าชื่อของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเอาคำเชื่อมคำที่แสดงความสัมพันธ์รกระหว่างเหตุกับผลเนี่ยใช้เป็นชื่อด้วยโดยอ้อมฮะวันนิทานเพราะฉะนั้นพระสูตรที่แสดงปฏิจจสมุปบาทเนี่ยบางสูตรจึงชื่อวันิทานสูตร ยกตัวอย่างเช่นมหานิทานสูตรบางเอิญไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบชื่อว่ามหานิทานสูตรแปลว่าพระสูตรใหญ่ที่แสดงเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นการแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างยืดยาวอยู่ในที่นั่นเรียกว่นนานิทานหมายถึงปฏิจจสมุปบาท คำว่าสมูทยาก็เช่นเดียวกันสมูทัยเนี่ยเลยกลายเป็นชื่อปฏิจจ์อีกครับสมูทัยในอริยศาสตร์4หมายถึงตัณหาสมูทัยในปฏิจจ์เนี่ยหมายถึงทุกองค์ทุกองค์อวิชาเป็นเหตุให้เกิดสังขารอาวิชาเป็นสมูทัยดังนั้นปฏิจจาทั้งหมดจึงถือว่าเป็นสมูทัยเป็นสมูทัยที่ท่านตัดว่านี่เป็นความเกิดของทุกนี่เป็นความเกิดของทุกนั่นแหละ ชาติกาคือกำเนิดก็เช่นเดียวกันปภาวาแดนเกิดเช่นเดียวกันเป็นวยพจน์ที่ใช้แทนกันได้แต่เราก็ไม่ได้นิยมเอามาใช้เรียกปฏิจจะเนื่องจากว่าชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่อาจจะเรียกธรรมะตัวอื่นได้อีกกรณีมีสูตรอีกจํานวนมากครับที่ได้ใช้คําที่เป็นคําเฉพาะคําเดียวอย่างเช่นอุปนิสส ที่แปลว่าเป็นที่อาศัยในสูตรนี้เป็นสูตรที่ถือได้ว่าแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างแปลกประหลาดแหวกแนวกว่าพาะสูตรอื่นทั้งหมดเลยไม่มีสูตรใดที่แสดงแปลกประหลาดอย่างนี้เมื่อเราสรุปมาจะคัดเนื้อหาโดยทำเป็นแผนภูมิให้ดูเทียบกันนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยปฏิจจมีเป็นลักษณะอย่างไรผมจะลองอ่านให้ฟังนะฮะ แต่นี้ก็ถือว่าเป็นการอ่านคร่าวๆให้พอนึกออกที่ท่านใช้คำว่าอุปปนิสาตั้งเป็นชื่อสูตรทีเดียวอุปปันิสาสูตรเนื้อความก็ตรัสว่าสังขารมีอาวิชาเป็นอุปนิสัคือเป็นที่อาศัยหรือเป็นที่อิงอาศัยก็จะเห็นว่าก็เป็นไวโพธของคาว่าปัจจยานะครับแต่ท่านมาใช้คานี้เสีย จนถึงว่าทุกทุกนี่ท่านหมายถึงชราเมรณะโสกกาลิเจวะในสูตรนี้ท่านเกิดเรียกว่าทุกมีชาติเป็นอุปาณิสัคือทุกเนี่ยเกิดมีเพราะการเกิดอย่างที่เราพูดกันว่าการเกิดเป็นทุกคือพูดอย่างในสูตรนี้คือการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกเพราะว่าทุกนั้นมีชาติเป็นที่อิงอาศัย มีข้อความประหลาดต่อไปว่าคือปฏิจจาสายเกิดกับสายดับในสูตรนี้เขาแทนที่เขจะแสดงว่าเพราะวิชาดับเพราะชาติดับอย่างอื่นจึงดับนะท่านไม่พูดงั้นท่านพูดแบบข้ามเลยไปถึงองค์คุณแห่งความดับเลยเช่นว่าพอพูดมาถึงสุดปลายของปฏิจจาว่าทุกมีชาติเป็นที่อิงอาศัยแล้ว ก็ตรัสว่าศรัท ธ, ธามีทุกข์เป็นที่อิงอาศัยอา้าวคือศรัทธาเป็นเหตุเอทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัท ธ, ธา น, นี่เริ่มเข้าปฏิจจาสายดับเพราะว่าศรัท ธ, ธาเป็นคุณธรรมทุกข์เป็นผลผลของปฏิจจาสายเกิดทีนี้ที่มาหลายก็คือว่าทําไมทุกข์เป็นเหตุให้เกิดศรัท ธ, ธาความจริงเราอธิบายกันมาอย่างดีแล้วนะแต่ก็คงจะ นึกกันไม่ไม่ออกตอนนี้ทุกเป็นเหตุให้เกิดสถานะเพราะบุคคลที่จะดับสังสารจาจรักได้ต้องเชื่อในทุกเชื่อในทุกว่าไงไม่ใช่เชื่อแบบเขาลบ น, บนอบนอบแต่หมายเชื่อว่านี้เป็นทุกความเกิดเป็นทุกแก่เป็นทุกนี่เรียกว่าเชื่อในวัตทุกถ้าไม่เชื่อในวัตทกุการดับทุกก็มีไม่ได้ อย่างเช่นว่าถ้าเราไม่เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์เนี่ยไม่เชื่อหลักกรรมหลักการเวียนว่ายตายเกิดแล้วบุคคลนั้นจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพื่อความดับทุกข์ที่เป็นสังสารทุกข์จึงตรัสว่าศรัทธามีทุกข์เป็นที่อิงอาศัยแล้วก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงขยะายานมีวิมุตเป็นที่อิงอาศัยขยะยานหมายถึงผลรยาน อาศัยมัรคยานและเรียกว่าวิมุตติยานเป็นที่อิงอาศัยนี่คือเป็นสุดยอดของปฏิจจารสายดับคือพูดง่ายๆว่าวิปัสสนาญาในพกเนี่ยคือปฏิจจารสายดับอธิบายให้ดีนะนี่ผมก็มามานั่งสืบค้นเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากอยากอยากจะ พูดได้หมดไปซะเลยเรื่องปฏิจจานี่จะดีหรือไม่คือมันมีปฏิจจะในในที่อื่นอื่นอีกเอากันให้เห็นดําเห็นแดงไปเลยไหมแต่มันต้องเป็นปีนะจะบอกให้ไม่ไม่ต้องไปรอนะแล้วเราก็คงจะต้องวางมือเรื่องการเรียนประสูติไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ผมคนหลักฐานอาจจะไรมาไว้เป็นที่เป็นทางหมดแล้วก็ถ้าคิดว่าจะเรียนผมจะเริ่ม ทำแบบทิ้งทวนเลยนะเอากันให้รู้ให้ออกมาเป็นบทสรุปที่ไม่ต้องไปเถียงอะไรกันอีกแล้วมีหลักฐานอ้างอิงแบบอย่างเงี้ยชัดเจนหมดตกลงนะอ่าตกลงฮะฮะไม่ได้แล้วเดี๋ยววันรู้ก่อนจบเยเรื่องปฏิจจากให้จบ ว่าจากนี้ไปก็คงจะสรุปค่อยๆทําไปทีละที่อย่างอในสติปัตในอภิธรรมญาสังยุตในถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลใหญ่ของเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นก็จะค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านจะได้เห็นว่าโครงสร้างของปฏิจจที่ที่จะเข้าเนื้อหาในคราวหน้าเนี่ยนะว่ามันมีโครงสร้างยังไงมีการแสดงสายเกิดสายดับยังไงแล้วก็โวหารต่างกันเมื่อมาเปรเียบองค์กันระหว่างโครงสร้างอันหนึ่งกับโครงหนึ่งเนี่ย ยกใอย่เนี่ยท่าเรียกว่าทุกทุกเนี่ยกับบางแห่งเ็กชะลามรณะโกรกนิเทวะ่างนี่นะเรียกเป็นอันเดียวกันมันก็เรียกคนละชื่อแต่ว่าเป็นอันเดียวกันก็คงต้องใจเย็นๆหน่อยเอาแล้วนะครับเราพูดกันถึงชื่ออื่นที่ตรัสว่าอุปะยะเนี่ยนี่เป็นชื่อที่ถือว่าแปลกหูนะครับเราถ้าไม่ได้ตรวจ จากที่นี่ก็เกือบยังไม่ได้นึกว่าชื่อปฏิจจค้าเขามีเป็นอีกหลายชื่ออุปยัตที่แปลว่าเป็นสิ่งทําให้เกิดหรือเป็นที่ทําให้เกิดเนี่ยเป็นชื่อของสูตรด้วยแล้วก็มีคำตรงกันข้ามเขาเรียกว่าอ่าปายะแปลว่าไม่ทําให้เกิดก็คือปฏิจจสายเกิดเรียกอุปยะปฏิจจสายดับเรียกอ่าปายะ บางแห่งเป็นสมุทยะคู่กับนิโรธะอย่างนี้นะคือคำสายเกิดเนี่ยมีมากกว่าคำสายดับอย่างที่ท่านตรัสไว้ในพระสูตรที่ชื่อว่าอุปยสูตรว่าเมื่ออวิชาอุปยะย่อมทำให้สังขารอุปยะคือทำให้สังขารเกิดเมื่อชาติอุปยะย่อมทำให้ชารามรณะโสกกาปริเตวะตุกขโทมานัน้น อุปยาอุปมาเหมือนเมื่อน้ำในมหาสมุทรขึ้นย่อมทำน้ำในแม่น้ำใหญ่ให้ขึ้นน้ำขึ้นเรียกอุปยามกันเมื่อแม่น้ำใหญ่ขึ้นย่อมทำแม่น้าน้อยขึ้นเมื่อแม่น้ำน้อยขึ้นห้วยหนองคลองบึงก็ขึ้นเป็นลำดับลาดับอันนี้ก็ต้องการพูดในเห็นภาพว่า ปฏิจจาเนี่ยเวลามันเหมือนมันอยู่ที่ที่สูงนะอวิชชาอยู่ที่สูงเวลาสั่งสมกิเลสสั่งร้นมันจะผลคือกิเลสจะตกมาที่นั่นตกแล้วก็มาขังในแองเกล อ, อวิชาแล้วก็ค่อยล้นเอ่อบ่าลงมาสู่ชาราและมรณะฝ่ า, ายหลังแต่เสร็จแล้วก็มันก็ขึ้นหมุนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยเป็นวงรอบน้ําผลกลายเป็นน้ําในแหล่งน้ํา น้ำในแหล่งน้ำก็กลายเป็นผลหมุนวนกันอย่างนี้นี่เวลาจะดับก็ต้องดับที่ต้นน้ำทําต้นน้ําให้เสียหายอเหมือนอย่างเดี๋ยวนี้พอป่าหมดก็คนที่อยู่ข้างล่างก็ไม่มีน้ํำใช้น้ําแห้งน้ําแรงป่าหมดนี่ปฏิจจ์ดับไหมพระกฤษณ์ว่าป่าหมดปฏิจจ์ยิ่งหมุนริ้วเลย อีกคำหนึงใช้คําว่าปฏิจจารเฉยเยที่แปลว่าันที่อาศัยปฏิจจารสมุปบาทน่ะเราได้ยินเต็มเต็มอย่างนั้นปฏิจจารเฉยเฉยที่แปลว่าที่อาศัยก็มีอะครับที่จัดว่าผัฏะปฏิจจารอัฏฐเป็นที่อาศัยของเวทนาเป็นต้นมีพระสูตรอยู่หลายสูตรมืองกันนะครับที่ใช้คํานี้และคําที่ ปรากฏว่าใช้มากที่สุดเนี่ยคือปัจจยาปัจจยาโอ้โหนี่คัดกันน่าดูชมเลยตรวจกันแหลกลานเลยนี้พอหูคือคำนี้นะปัจจยาที่แปลว่าปัจจัยหรือทำอุดหนุนเนี่ยเป็นคำที่ใช้มากที่สุดเพราะเหตุนั้น แม้คําว่าปัจจยาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสไว้ในฐานะที่เป็นคํากล่าวถึงโดยอ้อมสแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเท่านั้นก็จริงแต่เพราตรัสไปมากอัตถกถาท่านจึงนิยมที่จะเรียกปฏิจจสมุปบาทว่าปัจจะยาการปัจจะยาการแปลว่าอาการของปัจจัยทีนี้อาการเนี่ยมันหมายถึงองค์อาการนี้ไม่ได้แปลว่ากิยานะ อ, อ, ene, بن, อาการหมายถึงส่วนเหมือนอาการสาสิสองครับผมเป็นอาการหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งปัจจัยการเจียงหมายถึงองค์หรือประเภทธรรมหรือตัวธรรมที่เป็ pues nope. like like นปัจจ yani. ัยอย่างอวิชชาเป็นอาการหนึ่งที่เป็นปัจจัยสังขารก็เป็นอาการหนึ่งที่เป็นปัจจัยรวมกันสิบสองอย่างเรียกว่าปัจจัยการคือธรรมหนึ่งหนึ่งตัวหนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัย ก็ได้กล่าวว่าปฏิจจาร์ในเหมือนคนคนหนึ่งที่มีอาการแค่สิบสองในอาการสิบสองนึงก็เป็นปัจจัยแก่กันอาการเราอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยแบบอาการของปฏิจจาร์ิบสองผมเป็นอาการหนึ่งในสาสิบสองแต่ผมก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยอื่นๆต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแย่สัมพันธ์กันแบบหลวมๆนี่แหละครับที่เราเมื่อเวลาเราท่องปฏิจจาเนี่ยไม่มีใครก็ท่องว่า อวิชานิธานาอาวิชาอาสมุทย า, าวิชาชาติก า, าวิชาปปภ า, าวาสังขารังมันมันเยอยาวเราก็จะท้องกันสวดกันว่าอาวิชาปัติยาสังขารา จ, จบคือเอาเอาคํานี้มาเป็นตัวหลักเพราะว่าปฏิจจาส่วนใหญ่แสดงเชื่อมความสัมพันธ์องค์เหตุกับองค์ผลหรือองค์ที่เป็นปฏิจจาก็ สมุบาทกับองค์ที่เป็นปฏิจจสมุปป น, นะธรรม้วยคำว่าปัจจยาเหตุนั้นในพระสูตรซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราอ่านเพื่อให้ฟังดูสมบูรณ์ชัดเจนตัดว่าอาวิชาปัจจยาสังขาราเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารจนถึงชาติปัจจยาชารามรนังโสกะปริเท วัตุกโทมานัสสุปายาสาเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรลาและมรณะโศกะปริเทวะทุกโทมานัสจานวนแปลจะแปลได้หลายแบบอวิชาเป็นปัจจัยแก่บสังขารหรือสังขารมีเพราะอาวิชาเป็นปัจจัยก็ได้แต่แปลามาจากบาลีนี้เหมือนกันนี่นี่คือปัจจัยที่เลยกลายเป็นชื่อของปฏิจจสมุปบาทแล้วก็ มหาปัจฐานที่ขยายเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านก็เรียกว่าปัจจัยยี่สี่แทนที่จะเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทยี่สี่ท่านก็ไม่เรียกเรียกปัจจัยยี่สี่เพราะว่าเป็นลักษณะของความเป็นปัจจัยของปฏิของสภาวธรรมนะครับคือองค์เหตุกับองค์ผลเป็นปัจจัยลักษณะอย่างไรสมุทยาเป็นที่ตั้งขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นสูตร บางสูตรหลายสูตรอยู่เหมือนกันครับที่ตรัสด้วยคําว่าสมุทยาเฉยๆแทนที่จะตรัสเป็นชุดว่า น, นิธานาสมุทยาชาติกาปภวะทรงใช้คําว่าสมุทยาเฉยๆเหมือนกับปัจจัยคําเดียวปฏิยาเฉยๆนั่นแหละครับผมก็ขออ่านประกอบให้ฟังนะครับที่ตรัสเชื่อมเหตุเชื่อมผลด้วยคําว่าสมุทยาว่า สมณะพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้จักเหตุเกิดแทงชะลาและมรณะคําว่าไม่รู้จักเหตุเกิดเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาแบบไม่ไม่ต้องแปลก็คือสมณะพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้จักสมุทยาของชรลาและมรณ ะ, ะไม่รู้จักสมุทยาขององค์อื่น จนถึงสังขารว่ามีอะไรเป็นสมุตยาท่านจะใช้คํานี้คําเดียวมีหลายสูตรครับที่ใช้เป็นลักษณะอย่างนี้แม้กระทั่งว่าคนที่ได้ยานในปฏิจจสมุปบาทก็จะเรียกยานั้นว่า ย, ยกตัวอย่างยารู้ชรามรณะเนี่ยจะตระเหตุเกิดชรามรณะนะครับขอโทษนะจะตรัสว่าชรามรณะสมุทเยยาหนังย า, ยารู้เหตุเกิด ของชร า, ามรณะอะไรเป็นเหตุเกิดชร า, ามรณะชาติก็คือยานรู้ชาตินั่นเองนี่ก็จะเห็นว่าในการรู้สภาวธรรมเนี่ยรู้ชร า, าและมรณะก็จริงแต่ชร า, ามรณะมันมีเหตุดังนก็ต้องไปนึกถึงชาติการรู้แบบนี้เรียกรู้แบบขยายตัวการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยเวลารู้ตัวเองแล้วเนี่ยมันไม่จบแค่นั้นต้องขยายตัวครับ ลักษณะการรู้กรรมาฐานต้องขยายตัวขยายการแม่อดีตแม่ปัจจุบันแม่อนาคตและขยายคนด้วยแม่คนเราอื่นรรมรณะเราอื่นที่รู้ถูกต้องก็ต้องรู้อย่างนี้ขยายคนทีนี้ก็ถามว่าการที่บุคคลกาหนดชะลามรณะแล้วก็กำหนดได้ว่าชลามรณะสมุทเยเหตุเกิดชลามรณะจะยกให้เป็นความรู้ในชาติ หรือความรู้ในฉรามอรณะเราก็ต้องตอบว่าเป็นความรู้ในฉรามารณะแต่โยงไปหาชาติเหมือนเรากําหนดรู้ผู้เป็นบุตรแล้วก็โยงไปหาพ่อแม่เนี่ยมันหมายถึงว่าไม่ใช่รู้พ่อแม่แต่เป็นความรู้บุตรว่าเป็นรูกเต้าเราใครมีคำหนึ่งนี่นี่ถือว่าเป็นคำที่มีอยู่ในสูตรเดียวอ่ะอันตระอันตรัง ที่แปลว่าปัจจัยภายในที่อยู่ในพะสูจนที่เราเคยผ่านกันมาแล้วได้ตรัสว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอพิสูจน์พิจารณาอย่างไรชื่อว่าพิจารณาปัจจัยภายในคือคํานี้เหมือนจะบอกว่าปฏิจจสมุปบาทนะเป็นของภายในภายในหมายถึงหมในสิ่งมีชีวิตปฏิจจาเนี่ยปฏิจจามั้ยมีปฏิจจามัม้งงี้นะ รถยนต์มีปฏิจจาไม่เป็นปฏิจจ ա ไหมไม่เป็นโต๊ะ้็อี้ไม่เป็ น, ปนภายในไมน้ไทรสิ่งมีชีวิตภายนอกหมายถึงสิ่งไม่มีชีวิตที้ถ้าถามว่านกมีปฏิจจ ա ไหมมีมันผมไม่ได้ถามมารู้นะเราไปเกิดเป็นนกได้ไหมไปเกิดเป็นนกเนี่เป็นไปตามกระบวนการของปฏิจจ ա แบบหนึ่งแย่ไปแล้วเปลสก็เป็นปฏิจจาถ้าอรหัน ภาิยาก็มีส่วนแห่งความเป็นปฏิจจามาก่อนแล้วค่อยๆลดความเป็นปฏิจจะไปโดยลันดับถามว่าคนตายเป็นปฏิจจะไหมศพศพที่ตายเป็นปฏิจจะไหมไม่เป็นเพราะว่าไม่เป็นภายในแล้วเป็นรากศพเป็นนํำไปนอกแล้วเพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยจึงมีอยู่สองแบบสองกระแสเหตุปัจจัยข้างนอกไม่ใช่อันตดับ ไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยภายในฝนตกมีเหตุปัจจัยไหมมีน้ําขึ้นมีเหตุปัจจัย จ, จันทรุ ป, ปราคามีเหตุปัจจัยสุริยุ ป, ป ร, ราคามีเหตุปัจจัยรถยนต์ก็มีเหตุวิ่งได้มีเหตุปัจจัยแต่อันนั้นไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยภายในไม่เป็นคุณค่าสําหรับการลดละกิเลสได้ที่นั้นเพราะมันไม่มีกิเลส มันไม่ไม่คือกรรมกิเลสวิบากมันไม่มีในในสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยวัฏวัจักรหรือวัตฏสงสารไม่เป็นแต่ว่าในสิ่งมีชีวิตเนี่ยมีเหตุปัจจัยชนิดที่เป็นข้างในเวลากำหนดเราก็ต้องกำหนดที่ข้างในในสิ่งมีชีวิตโดยถือเอาที่ตัวเราเป็นประธานแล้วก็กำหนดโยงใ ย, ยไปถึงคนอื่นได้จึงเรียกว่า อันตระคือเหตุปัจจัยภายในกระแสของปัจจัยภายในหรือกลุ่มเหตุผลอันเป็นลูกโซ่ที่อยู่ข้างในเมื่อความในลําดับต่อไปนะแสดงชื่อโดยประการอย่างอื่นนี่ก็เป็นเรื่องของภาษาทั้งนั้นนะครับคําแสดงความเกิดขึ้นและความดับคือปฏิจจานี่ยเรารู้ว่ามีสองสายสายเกิดกับสายดับ เวลาท่านแสดงสายเกิดเนี่ยท่านก็จะมีคําแสดงสายเกิดเวลาแสดงสายดับก็จะมีคําแสดงสายดับมีคําแสดงสายเกิดเนี่ยมีมีเยอะคําแสดงสายดับมีน้อยเพราะนั้นเวลาท่านแสดงค um ําสายเกิดหลายๆคําแต่เวลามาใช้คําสายดับแล้วใช้ร่วมกันโดยสึกว่าคําที่จะใช้บ่อยที่สุดก็คือนิโรธความดับนะฮะนิโรธที่แปลว่าความดับนอกนั้นก็ยังมีคําอื่นอีก โดยจะให้ดูอย่างเป็นหลักเป็นฐานว่าคำที่แสดงความเกิดขึ้นกับความดับมีจับคู่อย่างนี้ครับสติกับอสติสตินี่ในภาษาธรรมะเรามีความหมายเป็นสองอย่างสติคือความระลึกรู้หรือระลึกได้อย่างหนึ่งสติ และสติอีกอย่างหนึ่งหมายถึงความมีความมีเรียกว่าสตินีใน่ในพุทธพจน์แล้วนะความไม่มีเรียกว่าอสติผงจะอ่านพุทธพจน์ให้ฟังตรัสว่าอดียสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมนสิการโดยแยบคาย ซึ่งปติจจสมุปบาทอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิติอิมัสสิงสติอิทางโหติสติอิทางก็คือสิ่งนี้ก็คือมีสิ่งนี้สติก็คือมีอะไรอิทางก็คือสิ่งนี้เพราะ สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัชสุ ป, ปาทาอีทางอุ ป, ปัชตินี่คำว่าเกิดใช้คำอุ ป, ปาธาในเอกาสารท่านไม่มียนะแต่ว่าข่าวหน้าจะแอบยิ้มมาแจกให้อันนี้เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีอิมัชสิงอาสตินี่อาสติแล้วไม่มีอีทางนาหติ เพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับอิมัทสานิโรธานีจ่จะดับใช้คำว่านิโรธาอีกทางนิรุชตินิรุชตินี่แปลว่าดับเหมือนกันอีกคือสิ่งนี้ดับคำหน้าใช้คำว่านี้โรธะสิ่งนี้จึงดับความดับที่ความดับเหตุใช้คำว่านิโรธความดับผลใช้คำว่านิรุชติอเยสาวกผู้ได้สดับ มิได้สงสัยอย่างนี้ว่าเมื่ออะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นอันที่จริงอริสาวกผู้ได้สดับย่อมยังรู้ด้วยญาณในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่ก็เป็นเป็นเนื้อความในพระสูตรที่ คัดมาอยู่คนละสูตรนะครับมามาปนๆอยู่ในที่เดียวกันเราก็มาดูว่าข้อความที่ท่านตรัสเป็นคำคู่กันถึงความมีกับความไม่มีว่าสิ่งนี้มีมีก็หมายถึงเกิดน ะ, ะปฏิจจาสายเกิดมีเป็นคำแทนคำว่าปัจจัย เพราะวิชาเป็นปัจจัยคือเพราะวิชามีและเป็นปัจจัยนั่นเองครับสังขารจึงมีไม่มีก็คือปฏิจจานั้นไม่ปรากฏและไม่เป็นปัจจัยปฏิจจาองเหตุคือมีเหตุและไม่มีเหตุอุปะยะกับอาปัจะยะเมอคี้ที่ว่าแล้วนะครับคือสิ่งที่ทำให้เกิดตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่ทำให้เกิด อวิชาเกิดเป็นอุปะยะของสังขารเมื่ อ, อวิชาดับสังขารก็ไม่เกิดอวิชาเป็นผู้ทำไม่ให้เกิดโดยที่ตัวเองไม่มีไม่เกิดและในคำว่านิทานาะสมุทยาชาติกาปะาพาวาอุปาธาเติมอุปาทาเข้าไปตัวตามที่อ้างในที่อื่นให้ไปเข้ากลุ่มเลยกลายเป็นห้าคมอุปาทาที่ปแปล ว, ว่าเกิดขึ้น ท่านจะใช้คำตรงกันข้ามว่านิโรธาว่าอวิชานิธานาอวิชชาเป็นเหตุอวิชานิโรธาอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขานิโรธาอีกคู่หนึ่งฮะอุปัตติแปลว่าเกิด อุปาทาอุปาทาแปลว่าเกิดนั่นแหละครับอุปัชะติแปลว่าเกิดนี่รู้ชติแปล ว, ว่าดับก็คงไม่ต้องอธิบายเพราะว่าอหมายถึงสายเกิดกับสายดับแต่ให้เกิดอย่างไรดับอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องอาทิถึงจะได้อธิบายกันมาบ้างแล้วก็เป็นบางส่วนแต่ว่าความหน้าพิศวงของปฏิจจาสายเกิดสายดับนี่ยังมีอีกมากพูดไม่รู้จบบรรดาชื่อ ในภาษาบาลีเหล่านี้ปรากฏว่าในพระไตรปิฎกชุดนี้ร้อยสี่สูตรท่านเอามาตั้งเป็นชื่อสูตรอยู่สี่ชื่อคําว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ปรากฏเป็นชื่อสูตรเลยคือที่จะมีพระสูตรปฏิจจสมุปบาทสูตรก็ไม่มีหรือปฏิจจสมุ ป, ปันธสูตรก็ไม่มี มีแต่อุปานิสสูตรอย่างที่ว่านะฮะททั้งหลายอาศัยกันเป็นเหตุเป็นเหตุอย่างว่าสังขารมีอวิชชาเป็นอุปาณิสสะคือเป็นที่เองอาศัยเป็นต้นแล้วก็อุปะยะเป็นชื่อของอุปะยะสูตรที่พุทธเจ้าโดยทรงแสดงปฏิจจาสายเกิดกับสายดับไว้โดยอุปมาว่าเพราะวิชาอุปะยะสังขารยิงอุปะยะ เพราะอาวิชชาอาปลายะสังขารจึงอาปลายะเพราะนา้ำอุปะยะบนยอดเขาบนที่สูงน้ำที่ล่างจึงอุปะยะเพราะน้ำบนที่สูงอาปายะน้ำในที่ล่างจึงอาปายะเป็นการเปรียบเทียบและคาว่าปัจจะยะสูตร ที่แปลว่าเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยแปลทัพสับอันนี้ก็มีใช้อยู่ในสองที่นะครับสำหรับในาพาะไตรปิฎลร้อยสี่สูตรเนี่ชื่อปัจจยสูตรหรือปัจจัยสูตรเนี่ยสองที่แต่ในพระอภิธรรมคัมภีร์ที่สองที่แสดงถึงเรื่องปฏิจจสมุปาทเนี่ยท่านจะเรียกว่าปัจจยาการวิพังแปลว่าเป็น บทหนึ่งหรือเป็นบทหนึ่งของคำภีร์ที่สองที่กล่าวถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทอยู่ในที่นั้นแล้วก็ในนั้นก็แบ่งเป็นสองแบบคือสุตตันตภ า, าชนีสแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบพระสูตรอาภิธรรมภาชนีสแสดงปฏิจจสมุปบาทแบบพระวิธรรมมีลักษณะที่ โดยเฉพาะพระบิดามเนนะแปลกไปจากที่เราได้ยินได้ฟังในที่อื่นและเข้าใจได้ยากว่าปฏิจจากบางอย่างเนี่ยบางบางหมวดองค์สมบูรณ์บางหมวดบางองค์ไม่มีอย่างเช่นว่าบางบางหมวดเนี่ยวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปบางหมวดเป็นปัจจัยแก่นามรูปไม่มีนี่ยนยก็บอกว่าเพราะว่าในที่นั้นสแสดงถึงปฏิจจากของพวกอโลมณ์ลม ที่ไม่มีรูปเพราะนั้นอวิชชาเป็นใจแก่สังขารสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยแก น, นามรูปเนี่ยรูปไม่มีมีแต่นามอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็คําว่านิทานซึ่งก็เป็นชื่อของสูตรอยู่หนึ่งสูตรในที่นี้และนอกในที่นี้คือนิทานสูตรเป็นอีกที่หนึ่ง น, นี่ก็เป็นเรื่องที่เรื่องชื่อนะฮะเรื่องชื่อเร่องะไรไปนี่ที่ ใส่ตัวเลขไว้เนี่ยถ้าหากว่าท่านยังไม่มีประมวลพระสูตรร้อยสี่สิบสูตรนี่อยู่ในมือก็คงจะมืดแปดด้านไม่รู้ไปคนที่ไหนก็คงต้องรออีกสักระยอางคงใกล้แล้วครับใกล้แล้วที่จะได้ทําเป็นรูปเล่มออกมาแล้วก็เอาไว้ใช้ไปดูกันวันนี้ก็คงจะพอสมควรกับเวลานะครับ มีปัญหาจะถามไหมฮะเช่นนะเช่หนห้านิทานางธรรมะใช่ไหมฮะอ๋อถ้าเป็นนิทานเนี่ยมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงมีทั้งเรื่องสมมุติเรื่องไม่สมมุตินี้แล้วแต่ที่ออย่างบางแห่งเนี่ยแม้แต่พุทธคดี เ, เนี่ยทรงเล่าเรื่องนิทานประกอบก็เป็นแต่เรื่องที่ท่านสมมุติเล่าซึ่งนื่องจากว่าในที่นั้นไม่ได้เป็นสาระตรงที่จริงไม่จริง เพราะว่าการเล่าเพื่อเป็นเชิงอุปมาว่าเรื่องนี้เหมือนกับอันนั้นอันนั้นอันนั้นนะเป็นเชิงสมมติได้ปแต่ว่าเรื่องใดที่ประสงค์จะเล่าอย่างเป็นกรณีจริงๆก็จะเป็นเรื่องจริงมีทั้งเรื่องจริงเรื่องไม่จริงโดยที่ผู้เล่าไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกว่าจริงกลายเป็นเป็นไม่จริงหรือจริงไม่จริงกลายเป็นจริงไงนะคือเราจะรู้บางเรื่องนี่ท่านก็เล่าแบบ สมมติโดยที่เราไม่ได้เดือดร้อนว่าจริงหรือไม่จริงเพราะว่าช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรขึ้นมาได้นั่นแหละครับวันนี้ก็ขอจยุดติท่านนี้นะฮะ